สิบคันถะคันธนิยทุกขะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจใจร้อยสามสภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อภิชากายคันทะอาศัยศีและปตประมาสากายคันทะเกิดขึ้นศีและปตประมาสาะกายคันทะ อ, er. อาศัยอภิชากายคันถะเกิดขึ้นอภิชากายคันทะอาศัยอิทธังสัจจาพินิเวสกายคันถะเกิดขึ้นอิทธังสัจจะพินิเวสกายคันทะอาศัยอภิชากายคันถะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูป อาศัยคันทะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นคันทะเป็นอารมณ์ของคันทะและที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยปฏิจจวาระสหชาติวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสัถวาระและจำปยุตตะวาระเหมือนกับคันทะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกัน ยี่สิบเก้าคันถะคันธนิยะทุกกะเจ็ปัญหาวาระหนึ่งปัจ ญ, ญานุลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อยสี่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันทะเป็นป <im> ัจจัยแก่สัมปยุตตะคันทะโดยเหตุปัจจัย พึงขยายวาระทั้งก้าให้พิสดารอย่างนี้อรารมณะปัจจัยร้อยห้าสภาวธรรมที่เป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบคันถะคันถะจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบคันถะขันที่เป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่เป็นคันถะจึงเกิดขึ้น พึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบคันทะคันทะและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นร้อยหกสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมวิดีแล้ว ละถึงออกจากฌานพระอริยะพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของขันธะแต่ไม่เป็นขันธะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนินะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปเด้วยที่ประจักษ์ขูฟังเสียงด้วยที่ประโสธทาต พึงขยายให้พิสดารทั้งหมดเป็นปัจจัยแก่อวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะโดยรมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลเพลิงกุศล น, นั้นเพราะปรารบความยินดีเพลเพลิงกุศล น, นั้นราคะจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิวิจิกิจจาอุทจจะโทมานต์จึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลเพลินคุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วยินดีเพลเพลินฌานจากสุหาทัยวัตถุขันที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเพราะปรารบความยินดีเพลเพลินฌานเป็นต้นนั้นราคาจะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิโทมานต์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ เป็นบจจัย แ, แ, แก่สภาวะธรรมที่เป็นคันทะเป็นอารมณ์ของคันทะและที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเพราะปรารจกความยินดีเพลิดเพลินฌานเป็นต้นนั้น คันธะและสัมพยุติขันจึงเกิดขึ้นพึงขยายความทั้งสามวาระนอกนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พึงเพิ่มคำว่าเพราะปรารภในทุกกะนี้ไม่มีโลกุตระเหมือนกับคันธะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันพึงกำหนดแน่นอนว่าเป็นอารมณ์ของคันธะในมัคคับปัจจัยพึงเพิ่มเป็นก้าววาระคันธะคันธานิยทุกะจบส0มสิท คันธะคันธะสัมปยุตตทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งถึงสี่ปัจยะเจะตุกนัยเหตุตุปัจร้อยเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่อภิชากายคันธะอาศัยสีและปะตะประมาสักกายคันธะเกิดขึ้น สีลปตะปรมาสสะกายคันถะอาศัยอภิชากายคันถะเกิดขึ้นอภิชากายคันทะอาศัยอีทางสัจจาพินิเวสะกายคันถะเกิดขึ้นอีทางสัจจาพินิเวสะกายคันทะอาศัยอภิชากายคันถะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันถะแต่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันถะและสัมปยุทธ์ด้วยคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ สัมปยุตตขันอาศัยคันทะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันทะสัมปยุตด้วยคันทะและที่สัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ภพิชายกายคันทะและสัมปยุตตขันอาศัยสีและปตะประมาสกายคันทะเกิดขึ้นพึงผูเป็นจักรไนร้อยแปด สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปปัจใจได้แก่ คันธะอาศัยขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะสัมปยุทธ์ด้วยคันธะและที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและคันธะอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองร้อยเก้า สภาวธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะสัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่คันทะอาศัยคันทะและสัมปยุทธ์จาขันเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะสัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะและอาศัยคันทะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นคันทะสัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นคันทะสัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุ ป, ปั จ, จได้แก่ ขันธ์สามและอภิชากายคันธะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุติคันถะแต่ไม่เป็นคันธะและอาศัยสีลพตะประมาสากายคันถะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองพึงผูเป็นจักรไนย่อร้อยสิบเหตุ ป, ปัจจัยมีฆ่าวาระอารัมณะปัจจัยมีฆ่าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละฆ่าวาระกามะปัจจัยมีฆาวาระ อาหารปัจจัยเมฆ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมฆ้าวาระอนุโลมจบสองปัจจนียะร้อยสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะเกิดขึ้นเพราะหน้าทิปฏิปัจจัยยอ่อในที่นี้ไม่มีนเหตุปัจจัย หน้าท of so ี่ปฏิปัจจัยมีเ้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเ้าวาระณปัจฉาชาตปฏิปัจมีเ้าวาระณเอเสวณปัจจัยมีเ้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระโดยในนี้รันนับสองอย่างนอกนี้สะชาตาวาระปัจยวาระนิสยวาระ สังสัทธวาระและสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ30คันถะคันถะสัมปยุตตทุกกะ 7. ปัญหาวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังขวาระเหตุปัจจยัย1้อสภาวธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะโดยเหตุปัจจยัย ได้แก่ เ, แเหตุที่เป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธขันธ์โดยเหตุปัจจัสยสภาวธรรมที่เป็ น, ปนคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะสัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันและคันทะโดยเหตุตกปัจจัยร้อสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่ เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธจคันทะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธจคันทะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ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 และที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะสัมปะยุทธ์ด้วยคันทะและที <mat> ่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะสัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันทะสัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์และขันธะโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยเป็นต้นร้อสหสภาวธรรมที่เป็นขันธะและสัมปยุทธ์ด้วยขันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นขันธ ะ, แล ะ, ะและสัมปยุทธ์ด้วยขันธะโดย อ, อารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรากรกขันธะขันธะจึงเกิดขึ้นเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันธะ ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบคันทะขันที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะคันธะจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นโมลเพราะปรารบขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะคันธะและขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มเป็นสามวาระแม่นอกนี้อย่างนี้เหมือนกับอารมาณปัจจัย อธิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยและอุปาณิเสปปัจจัยไม่มีการจำแนกไว้ 1. ปัจจญานุโลมสองสามัญาวาระสุทไนัย1ิบเฮตุปัจใจมีเก้าวาระอารมณปัจใจมีเก้าวาระอธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระอนันตระปัจใจมีเก้าวาระสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระ สาชาตาปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเ้าวาระอริสิยปัจจัยมีเ้าวาระอุปอิสิยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินตรียะปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเ้าวาระสำปรยุตตปัจจัยมีเ้าวาระ อธิปัจจัยมีเ้าวาระนัตถปัจจัยมีเ้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอรูปเท่านั้นเป็นปัจจัยพึงจัดไว้ปัจจัยละสามวาระพึงเปลี่ยนอารามณปัจจัยสหาชาติปัจจัยและอุปานเนสิยปัจจัยให้เป็นปัจจัยละเก้าวาระแม้ในปัญหาวาระก็พึงเพิ่มทั้งหมดอย่างนี้ คันธะคันธสามปยุตตทุกกะจบสามสิบเอ็ดคันธะวิปยุตตะคันธัญยะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อยสิบเจ็ดสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตาสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งพึงขยายให้พิสดารเหมือนโลกิยะทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันคันธะวิปยุตจากันธนิยะทุกกะจบคันธะโคจกะจบหถึงเจ็ด โอคะโยคะโคจกะสาสองถึงสีสาโอคะทุกกะเป็นต้นหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัย 2. สภาวธรรมที่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยโคจกะแม้ทั้งสองเหมือนกับอาจวะโคจกะไม่มีข้อแตกต่างกัน โอคโยคโคจักกะจกแปดนีวรณะโคจกะสี่สิบสี่นีวรณะทุกะหนึ่งปฏิจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระ เหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ถีนมิทานิวรณ์ปุถจนิวรณ์และอวิชานิวรณ์อาศัยคลามะฉันทานิวรณ์เกิดขึ้นปุถจนิวรณ์และอวิชานิวรณ์อาศัยคามะฉันทานิวรณ์เกิดขึ้นถีนมิทานิวรณ์ปุถจนิวรณ์และอวิชานิวรณ์อาศัยพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้น อุทจฉนิวรณ์และอวิชานิวรณ์อาศัยพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นถีนมิทธานิวรณ์อุทจฉนิวรณ์โกกุจฉนิวรณ์และอวิชานิวรณ์อาศัยพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นอุทจฉนิวรณ์โกกุจฉนิวรณ์และอวิชานิวรณ์อาศัยพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นอุทจฉนิวรณ์อาศัยวิจิกิจานิวรณ์เกิดขึ้นอวิชานิวรณ์อาศัยอุทจฉนิวรณ์เกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ส้มปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทีนะมิทะนิวรณ์อุทจนิวรณ์อวิชานิวรณ์สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูป อาศัยความฉันท่านิวรณ์เกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรในสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมถทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่นิวรณ์อาศัยขันที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามนิวรณ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองสสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ทีเนมิทานิวรณ์อุทจฉนิวรณ์และอวิชานิวรณ์อาศัยขามะฉันทานิวรณ์และสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักปนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์และอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยนิวรณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสามทีนะมิทานิวรณ์อุทจจนิวรณ์และอวิชานิวรณ์ อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์และอาศัยคามฉันทะนิวรณ์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองพึงผูกเป็นจักรนัยย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนสี่เหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระอนันตรปัจจัยมีก้าววาระ สมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิบากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจัยหสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์อาศัยวิชิกิจฉานิวรณ์เกิดขึ้นอวิชานิวรณ์อาศัยอุทะจนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นและถึง อาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกระเพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัญญิสัตตพรมสภาวะธรรมที่เป็นนิวร์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวร์เกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจัยได้แก่อวิชานิวร์อาศัยขันที่สหรคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคต ด, ด้วยอุทจจะเกิดขึ้นหสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์ อาจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่อาวิชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์และสัมปยุตตขันเกิดขึ้นอาวิชานิวรณ์อาศัยอุททะฉานิวรณ์และสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นนอารมณปัจจัยเป็นต้นเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนอารมณปัจจัยได้แก่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 เพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยนิวรณ์และสัมปยุตตขันเกิดขึ้นยอ่อเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัย <ME K. S 1> เพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุ ป, ปนิสยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัย8สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้น เพราะนบุเรขาตาปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิถีนมิทานิวร์อุทจฉนิวร์และอวิชานิวร์อาศัยความมาฉันทนิวร์เกิดขึ้นในอรูปาวจรภูมิอุทจฉนิวร์และอวิชานิวร์อาศัยกวามมฉันทนิวร์เกิดขึ้นในอรูปาวจรภูมิอุทจฉนิวรและอวิชานิวร์อาศัยวิจิกิจชานิวรเกิดขึ้นในอรูปาวจรภูมิ อวิชานิวรณ์อาศัยอุทจฉนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนบะุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรู ป, ปาวจรภูมิสัมปยุตตะขันอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นพึงขยายวาระที่เหลือแม้ทั้งหมดให้พิสดารพึงจัดอรูปไว้ก่อนจัดรูปไว้ตามที่จะมีได้ในภายหลัง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 เพราะนับปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ใน ร, ปรูปาวจรภูมิขันสามถีนมิธานิวรณ์อุทจานิวร์และอวิชานิวร์อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณและอาศัยขามาฉันทานิวร์เกิดขึ้นพึงผูเป็นจักกนัยย่อสองปัจจยะปัจจนิยะ 2. สังขยาวาระสุทไนัย1น่ 10, นเหตุ ป, ปัจจัยมีสี่วาระ นาอรมะณะปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนาอนันตระปัจจัยมีสามวาระนาสมะนันตระปัจจัยมีสามวาระนาอัญญมัญญาปัจจัยมีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนาปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนาอเสวนปัจจัยมีเ้าวาระนากรมมปัจจัยมีสามวาระ นวิปากะป no All ัจจัยมี9้าวาระนอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมี9้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจจญานุโลมปัจญิยะ สิบอณอารมณะปัจจัยกับเหตุกปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมี9ก้าวาระย่อสปัจยยะปัจจิยานุโลมสิบสองอารมณะปัจจัยกับณเหตุกปัจจมีสี่วาระละถึงมรรคปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจมีสี่วาระพึงขยายสหชาตะวาระให้พิสดารอย่างนี้ สีนิวรณทุกะสปัจญะวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณทำสภาวธรรมที่เป็นนิวรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นนิวรนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปที่เป็นภายในขันที่ไม่เป็นนิวรนธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นนิวรนทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่นิวรนทำขันที่ไม่เป็นนิวรนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น นิวรณ์ธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามนิวรณ์และจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม <Sure> ่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองนิวรณ์ธรมมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูป รำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนิวรณ์และสัมปยุติขันธ์ธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 14. สภาวธรรมที่เป็นนิวร์ธรรมสภาวธรรมที่เป็นนิวรและที่ไม่เป็นนิวรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยได้แก่ถีนมิทานิวรณ์อุทจนิวร์และอวิชานิวรณ์ทำการมาชันทนิวร์และสัมปยุติขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึ่งผูกเป็นจกนักรไน ทีนมิทานิวรณอุทจฉนิวรและอวิชานิวร์ทำกามาฉันทานิวร์และหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์และทำนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น และถึงทำขันสองสัมปยุตตะขันทำนิวรณ์และหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำนิวรณ์และสัมปยุตตะขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำนิวรณ์และรำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ ขันสามถีนมิท่านิวร์อุทจฉนิวรณ์และอวิชานิวรณ์ทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์และทำกรรมฉันท่านิวรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองพึงผูกเป็นจักกนัยถีนมิท่านิวรณ์อุทจฉนิวร์อวิชานิวรณและสัมปยุตตขันทำกรรมฉันท่านิวร์และหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกนัยย่อ หปัจญานุโลมสองสังขยาวาระ 15. เหตุปัจจัยมีเก้าวาระปรมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควาระนเหตุปัจจัย16 สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์ทำสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน้เหตุตกปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์ทำวิจิคริชนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชานิวรณ์ทำอุทะจนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน้เหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์สาและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุ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 เพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์ทำขันที่สหะรคตวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชานิวรธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่เป็นนิวร์และที่ไม่เป็นนิวร์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ อวิชานิวรณ์ทำวิจิกิจชานิวรณ์และสัมบยุญัติขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชานิวรณ์ทำอุทธจฉานิวรณ์และสัมบยุญัตขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชานิวรณ์ทำวิจิกิจชานิวรณ์และหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชานิวรณ์ทำอุทจฉานิวรณ์และหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อสองปัจจยะปัจญิยะสองสองัสงคยาวาระ สุทนายสิบแปณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอรามณปัจจัยมีสามวาระณธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระณปัจจัจาตะปัจจัยมีห้าวาระ นาอาศวะนปัจจัยมี๙วาระนกรรมะปัจจัยมี๓วาระนวิปากปัจจัยมี๙วาระนอาหาระปัจจัยมี๑วาระนอินทรียปัจจัยมี๑วาระนาชานะปัจจัยมี๑วาระนามกะปัจจัยมี๑วาระนาสัมบยุตตปัจจัยมี๓วาระนวิปยุตตปัจจใจมี๙วาระโนนติปัจจัยมี๓วาระ นวิคตาปัจจัยมีสามวาระสปัจญานุโลมปัจญียะสิเกนอารมณะปัจจัยขเผตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระย่อสปัจญะปัจญี่ยานุโลมยี่สิอารมณะปัจจใจคำนาเฮถุปัจใจมีสี่วาระอนันตรปัจใจมีสี่วาระ สมนันตระปัจจัยมีสี่วาระละถึงมรรคปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสี 44, ่วาระสี่สสีนิวรณทุกะหสังสัถวาระหนึ่งถึงสปัจจะยะจะตุกันในยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นนิวรณเกิดรควรกับสภาวธรรมที่เป็นนิวรณเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ถีนมิทานนิวรณ ุทจานิวร์และอวิชานิวร์เปิดรัควรกับกามาฉันทานิวร์พึงผูกเป็นจกนักรไนพึงขยายนิวรทั้งหมดให้พิสดาร22เหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอนุโลมจบ ย3สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดรัควรกับสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์เกิดรัควรกับวิจิกิชานิวรณ์อวิชานิวรณ์เกิดรคัค ว, ว ร, วว ร, ก, รคกับอุทจฉนิวรณ์ยอ่อ24นัเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาทิปติปัจจัยมีฆ่าวาระนาภูเรชาตปัจจัยมีฆ่าวาระ นปัจฉาชาตะปัจจัยมีข้าวาระนะอเสวณะปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมี9้าวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนะมะกะปัจจัยมีหนึ่งวาระนะวิปยุตตปัจจัยมีข้าวาระปัจญิยะจ บ, ก า, จบการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตะวาระพึงเพิ่มอย่างนี้